เช่นเคย เ, เรื่องของการเรียนสมาธิก็เป็นเรื่องของด้านจิตใจผู้ที่จะมาสอนก็เอาใจมาสอนผู้ที่จะฟังก็เอาใจมาฟังแต่ว่าร่างกายก็ต้องเดินมา ทีนี้ร่างกายกับใจเนี่ยมันหนีจากกันไม่ได้ไปไหนก็ไปด้วยคนสอนก็เอาใจมาคนฟังก็เอาใจมาแต่ใจเนี่ยมันเป็นผู้รับภาระส่วนหนึ่งเช่นการงานต่างๆเราก็ทำมาตลอดวันบางคนก็เหนื่อย ก็ยังมาอก็มาได้คนมาเรียนก็ทําการมาแล้วเหนื่อยคนมาสอนก็ทําการมาแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกหลายอย่างแต่ว่าทุกสิ่งเหล่านี้่ เ, เป็นปัจจัย การงานก็เป็นปัจจัยการกระทำต่างๆก็เป็นปัจจัยหมายความว่า เ, เป็นปัใจจัยให้มีการต่อสู้เวลาในท่าลองว่านั่งเฉยๆนอนเฉยๆงานก็ไม่มีนั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็บอกว่าให้นั่งกินนอนกิน ก็ไม่สบายอีกให้ทํางานก็ไม่สบายอีกก็คือว่าไม่รู้จะเอาตรงไหนถ้าเราลองคิดดูว่าเขาไม่ให้เราทําอะไรเลยนอเนีน่ยมันสบายอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะจะทํายังไงก็ไม่ได้หลวงพ่อก็มาคิดดูว่าเขาหาว่าพระเนี่ยนั่งกินนอนกิน <c oughs> คือวันนี้ไม่ได้ยินเรื่องของมันไม่ได้ยินอย่างนี้เอ้ยมันไม่ใช่นั่งกินนอนกินหรอแบนั้นนอนกินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นั่งกินน่ะคงได <c oughs> ้แล้วก็หาว่าพระนั่งกินนอนกินมันไม่ใช่อย่างนั้นพระก็ต้องทำงานงานของพระก็มีถ้าเป็นเนนก็ต้องรับใช้พระ เราก็ต้องเรียนไปปล่อยเวลาให้ว่างไม่ได้ถ้าเป็นพระก็ต้องสอนเน้นเราก็ต้องเรียนอะไรอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องมีการทำทีนี้การทำนี่มันเป็นการเขาเรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์หมายความว่าบริหารทั้งกายและบริหารทั้งใจทีนี้เมื่อเข้ามากล่าวหาว่า พระเนี่ยนั่งกินนอนกินก็บางทีก็อาจจะถูกเหมือนกันอ่ะแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าพระยามหลงพ่ออย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนั่งไม่ใช่นั่กินนั่นกินแน่ตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะจะเอาอะไรมาสอนนักศึกษานะคือลืมตาขึ้นมาก็คิด ทันทีพอคิดแล้วก็วางแผนวางแผนเสร็จแล้วตีห้าครึ่งก็มานั่งจับปากกาเขียนกำลังเขียนเพื่อนๆนะมาโยมสะกิดหลังอีกแล้วแม่เสียหายไปหน่อยคือว่าตอนเช้าๆเนี่ยสมองกำลังดียังไม่ได้มีเรื่องอะไรก็เขียนเนื้อความจะได้ไพเรอะหน่อย เวลาเนี่ยคนก็ชอบรู้แล้วว่าตีห้าครึ่งหลวงพ่อมานั่งตรงนั้นเล่ไม่ได้เขียนอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนแผนการใหม่ตื่นขึ้นมาเราเขียนจะในห้องซะเลยเ อ, ออกไปเขียนนน่นไม่สำเร็จแล้วมาเขียนในห้องซะเลยให้เสร็จซะเลยอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็เรียกว่าเราต่อสู้ต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้เพื่อให้ผลงานมันเกิดขึ้นผลงานคืออะไรผลงานคือการสอนให้นักศึกษาเป็นครูสมาธิให้ได้เรียกว่ารับมรดกเพราะว่าวิชาการของสมาธิเนี่ยเป็นวิชาการที่เขาเรียกว่าเป็นความลึกลับแล้วซ่อนเงื่อน อาจารย์ต่างๆก็ชอบที่จะซ่อนเงื่อนเอาไว้แต่การที่มาสอนสมาธิในครั้งนี้หลวงพ่อไม่มีซ่อนเงื่อนเปิดหมดพยายามคํำที่ว่าใครคือผู้รู้ตอนนี้ยอันนี้ก็จะซ่อนเงื่อนเอาไว้อะไรคือศูนย์รวมของพลังจิตเรืย ก, กว่าจุดพลังอํานาจอันนี้ก็จะซ่อนเงื่อนไว้ สมาธิลึกเขาจะซ่อนเงินไว้สมาธิตื่นเขาจะซ่อนเงินไว้แล้วก็สมาธิธรรมชาติเขาก็ซ่อนเงินไว้ชานธรรมชาติยานธรรมชาติเ็าจะซ่อนเงินไว้หมดทีนี้เขาก็จะเอามาสอนโยมแต่ว่าทุกขังอ น, นิจจงอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายแกอ่ในที่สุดตายแล้วแม่มีได้อะไรไป ยอมทำบุญกันนะแน่ก็สอนเท่านั้นแต่ว่าการที่จะสอนว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะให้คนเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างคืออารมณ์แล้วก็เลยบอกว่าให้พากันตัดอารมณ์ทิ้งให้หมดไนเนี่ยเราก็ฟัง ญาติโยนทั้งหลายไปฟังเทศกันก็งงๆอยากจะเถียงอาจารย์อยากจะเถียงพระแต่ก็ไม่กล้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากอารมณ์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วอารมณ์เนี่ยถ้าเราทำให้มันดีเนี่ยเราก็ได้ถูกกันกรองอารมณ์เข้ามาให ใจของเราเนี่ยรับอารมณ์ไม่เต็มที่ก็จะทำให้ใจเนี่ยมีเวลาพักผ่อนหรือมีเวลาที่จะสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ว่าอารมณ์ต่างๆนี่ถ้าเราต้องการความสุขถ้าไม่มีอารมณ์มันสุขไม่ได้เกิดความทุกข์ไม่มีอารมณ์มันก็ทุกข์ไม่ได้อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์เราก็สร้างมหาเจดีย์ไม่ได้ถ้าไม่มีอารมณ์เราก็สร้างบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีอารมณ์เราก็มีครอบครัวไม่ได้ถ้าไม่มีอารมณ์มรรรมมมรมเราก็มีลูกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอารมณ์จึงเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทั้งสร้างสรรและทั้งทำลายอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ปิดบางละเปิดเผยให้รู้เสียว่า เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะต้องเปิดเผยถึงเรื่องการวัดผลของยานขึ้นมาการที่เราจะรู้จักว่าการวัดผลของยานเนี่ยยานคือตัวขยายที่ออกจากหน่วยเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยนั้นถูกส่งมาด้วยสมาธิเกิดจากจิตสํานึกการขยายนั้นขยายด้วยกระแสจิตด้วยกิริยาลักษณะดังกล่าว อจึงเกิดขึ้นซึ่งความหนาและความบางของกระแสจึงเรียกว่าผลของยานอันนี้เป็นตัวย่อให้เข้าใจว่าตั้งแต่เรานั่งสมาธิมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นคือสมาธิสมาธิไม่ใช่สบายความสบายนั่นคือฌานสมาธิไม่ใช่ความสบาย สมาธิคือการสร้างพลังจิตยอย่างนี้ <c oughs> ดังที่ได้อธิบายมาซ้ำแล้วและซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีของการบริกรรมนับตั้งแต่วินาทีของการตั้งใจทำสมาธินั่นคือการเป็นสมาธิขึ้นมาตามลำดับและตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ต้องเข้าใจว่าเราได้ตั้งเยอะแยะพลังจิตที่เราได้มาเนี่ย มากมายทีนี้พลังจิตเหล่านี้เนี่ยมันจะสะสมตัวขึ้นเมื่อสะสมตัวขึ้นแล้วนี่ก็ไปอยู่ที่จุดคือตัวผู้รู้เทแะหลวงพ่อบอกว่าใครคือผู้รู้นั่นที่เราให้ถามอ่เทให้ถามว่าใครคือผู้รู้จุดศูนย์กลางจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงนั้นแล้ว มันก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทีนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นยานเป็นยานขึ้นมาต้องทำอุปสงค์ให้เกิดขึ้นถ้าไม่ทำอุปสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นยานอุปสงค์นั้นคือความคิดความคิดตามความประสงค์ด้วยการคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกถ้าว่าความประสงค์อันนั้นคือความต้องการแต่ว่าอุปสงค์มันยิ่งกว่าความต้องการอันนั้น คือว่าคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นในตัวพลังจิตคือตัวเขาเรียกว่าเกิดจากจิตสานึกจิตสานึกนั่นอ่ะคือความรู้เราจะรู้อยู่เขาเรียกว่าจิตสานึกเวลาที่เราไม่ตายคือเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตสานึกนี่จะอยู่กับตัวของเราอยู่ตลอดเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นตัวจิตสานึกจะทำงานทันที เมื่อเราจะนั่งสมาธิจิตสานึกทำงานทันทีเมื่อพลังจิตจะเกิดขึ้นจิตสานึกทำงานทันทีอันนี้เรียกว่าตัวที่จะไปรวมพลังจิตเพราะฉะนั้นตัวจิตสานึกนี่แหละเป็นตัวที่สร้างหน่วยเ้าเรียกว่าหน่วยจะหน่วยอะไรก็ได้แต่ทีนี้เพื่อที่จะให้มันฟังไพเราะขึ้นมาหน่อยเราก็เรียกว่าหน่วยงาน คือหน่วยเนี้ยหน่วยก็คือว่าจุดหนึ่งจุดหน่วยนะฮะหนึ่งเขาเรียกว่าหน่วยงานเพราะฉะนั้นในหน่วยงานอันเนี้ยพอเราตั้งอุปสงค์ขึ้นมาเมื่อไรคือตั้งอุปสงค์ขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็เริ่มเริ่มในการที่จะดำเนินการเรื่องของยานอันนี้อุปสงค์ก็จะมีอะไรบ้าง เช่นอุปสงค์ในจิตใจเนี่ยคิดว่าอยากจะรักษาโร ค, คในครมนใดคนหนึ่งนั่นคืออุปสงค์แล้วอุปสงค์อย่างหนึ่งนั่นคือเต้องการอยากจะให้กิจการงานเนี่ยมันสาเร็จนี่ก็เป็นอุปสงค์อันหนึง่งหรือว่าเราต้องการอยากจะรู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรนี่ก็เป็นอุปสงค์อันหนึง่งหรือว่า เราอยากจะดูว่าชาติก่อนเราเป็นอะไรอย่างเนี้นี่ก็เป็นอุปสงค์อันหนึ่งอุปสงค์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกระแสจิตสานึกได้สำนึกขึ้นแล้วก็กลายเป็นกระแสอันนี้พูดถึงเรื่องของยานให้เข้าใจว่าพอกระแสเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็กลายเป็นยานเพราะฉะนั้น กระแสอันนี้จึงแบ่งออกเป็นสองกระแสอย่ากวกระแสบางและกระแสหนากระแสบางถ้าเป็นการเห็นหรือรู้ก็จะมัวแต่เข้าใจได้มันไม่ชัดหรอกเพราะว่าเป็นการริเริ่มหรือว่าเป็นการเริ่มต้นเมื่อเป็นการเริ่มต้นมันก็เหมือนกับเราเขียน ตัวกอตัวขออย่างเนี้ยมันยังจะมัวคือหมายความว่าไม่ชัดเจนผลเช่นนี้คือยานขั้นแรกยานขั้นแรกนี่เราเรียกว่าอุปสงค์มันจะเกิดขึ้นตามอุปสงค์ของบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ตามยานขั้นแรกนี้จะดับนี่เขาไม่วักยาานขั้นแรกนี้จะดับหมายถึงว่าอย่างเนี้ยมันจะต้องวักน่ะ ยานขั้นแรกนี่จะดับแล้ครว่าหมายถึงว่าอาจจะดับลงกลางคันอันนี้ฟังได้คือหมายความว่าเช่นอย่างเรานึกนึกไปเนี่ยปเดี๋ยวเราก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเนี้ยพอเรนึกไปอีกหน่อยก็หายไปอย่างนี้เป็นต้น ขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ต้องการอยู่และอาจจะพยายามให้ได้กลับมาได้อีกแต่ก็ไม่ชัดเหมือนเดิมหรืออาจจะดับไปเลยกลับคืนม่นได้อีกต้องตัง้งต้นขึ้นใหม่เธอจิตมันจะขาดตอนพอเวลาเรานึกว่าเราจะรักษารลบใครสักคนหนึ่งเนี่ยพอเรานึกไปเนี่ยมันจะดับหายไปเฉย พามันดับหายไปเฉยเฉยแสดงว่ามันมันไม่มีการต่อเนื่องมันก็นาก็าเรียกว่าบางอันนี้เรียกว่าบางผล น, นี้มีความจำเป็นจะต้องอไม่ใช้ยา น, นี้แม้จำเป็นอย่างไรก็ตามแต่ก็มีหลายคนที่ฝึกหัดยานพอเจอและรู้ถึงยานได้ผลแล้วก็ทำยานให้เกิดใช้ยานไปจนมัวหมอง แล้วก็มองไปก็เลือนลางเลือนลางแล้วยังจะทุ่ดซีใช้มันต่อไปหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าจะเขียนยังไงมันดีอ่ะเลยเอาทู่ดซีซะเลยคงจะเข้าใจนะ่ะเอเมื่อใช้มันแล้วก็ทั้งๆ ท, ที่มันก็ใช้ไม่ได้จากนจะทุ่ดซีใช้มันต่อไปอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็แล้วกันว่าคืออย่างนี้ว่าเมื่อเวลาที่มันเกิดจันี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย เออขั้นนี้มีความจําเป็นจะต้องไม่ใช้ยานนี้แม้จะจําเป็นก็ตามแต่ก็มีหลายคนที่ฝึกหัดยานแล้วก็จะต้องใช้เพราะว่าได้ใช้มันแล้วเนี่ยมันได้ผล่ะแต่ทีนี้พอที่หลังมันเกิดการเวือนรางขึ้นแล้วผลมันก็ไม่เกิดมันจะหมองขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นจะเสียคนไปเลยเพราะไม่มียานมีแต่เดาและคาดคะเนเ อ, เอาแม้ว่าบุคคลผู้นั้น ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลนั้นๆหมายความว่าอย่างนั้นบุคคลอื่นมาแล้วนมาจะเป็นการดราวหรือคาดคะเงก็ยังต้องเชื่อที่อธิบายตรงนี้ประสงค์ว่าจะต้องรู้ข้อเท็จจริงของยานที่เรียกว่าความบางของกระแสอันนี้นั้นอธิบายเพื่อให้เข้าใจเมื่อเวลาที่เราทำอะไรเกี่ยวกับยานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ แล้วเราจะมีวิธีเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรทำแล้วจึงได้ทาแล้วไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนี้ทั้งนี้เพื่ออธิบายให้นักศึกษาเราเข้าใจว่ายานเนี่ยแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ขั้นต่อไปข้อที่สองความหนาของกระแสก็เกิดขึ้นกับผู้มียานเช่นเดียวกันเพราะความหนาของกระแสที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกเป็นยานหนาหมายถึงความแน่นหนาผู้ที่มียานนี้จะทราบความแน่นของกระแสความแน่นของกระแสนั้นพระเหตุแห่งความจริงที่ว่ายาันนี้ใช่จะมาใช้อย่างสรุปสุไล่ฟุ่มเฟือยคือผู้ที่เขาจะเริ่มเกิดยานหนาขึ้นมาเนี่ยคือไม่ใจเร็วด่วนได้พอเห็นถ้าจะมียานขึ้นมาแล้วก็จะเอาเลยออย่างนั้นน่ะ มันก็เลยบางทีดับไปหายไปแต่ว่าคนที่จะได้กระแสหนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ำแล้วย้ำอีกอย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ไม่สุร่ายฟุ่มเฟือยหมายถึงการที่เมื่อหน่วยเกิดขึ้นจะต้องจุดชนวนของหน่วยหมายถึงรวมจิตสมาธิอยู่ที่หน่วยนั้นโดยที่มีความนิ่งอยู่ตลอดเวลาที่จะขยาย ระยะเวลาที่ความขยายจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งชาวนะจิตก็เกิดการขล้อมตัวอนนี้เพระาะฉะนั้นคนที่ได้ยานแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ใช้สรุปสรายเขาจึงไม่ฟุ่มเฟือยอันนั้นนานถึงก็จะใช้ทีหนึ่งหรือว่าเมื่อสอบโอะกาสก็จัดการอันนี้คือผู้ที่จะมียานหนาเกิดขึ้น ระยะของอยานนั้นเอจะเป็นเหมือนความคมแต่ไม่ใช่ความแพ่งอย่างเพ่งดวงแก้วเพ่งสีเพ่งประกายเอเพ่งเช่นนั้นไม่ใช่ยานออย่างนั้นเขาเรียกว่านิมิตเคยไปจับเอามาเอไว้ข้างหน้าบ้างไปจับเอามาเป็นลักษณะบ้างเอะจะเป็นวงบ้างเป็นก้อนบ้างเป็นอะไรบ้างก็ไปจับเอาขึ้นมาอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า แม้ว่าจะเกิดความจริงขึ้ น, อ, นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตหรือเป็นกิริยาจิตไม่ใช่ยานที่เพราะกิดเป็นการขยายดวงหรือกำหนดตามดวงตามลักษณะการอาการเพ่งหรือการเกิดขึ้นตามวิธีการนั้นๆเข้าข่ายนิมิตแม้จะละเอียดเพียงใดก็ชื่อว่านิมิตอันนี้จึงยังไม่ถึงจุดพลังอนานาจถ้าเป็นลักษณะแห่งการเพ่ง หรือนิมิตตกอยู่ในภาวะกำลังบำุงคือเป็นเพียงกำลังบำุงเท่านั้นถ้าหากจะให้เป็นผลสาเร็จต้องเปลี่ยนจากกำลังบำุงมาเป็นกำลังหลักในตรงนี้นั้นหมายความถึงว่าอย่างคนที่เข้าแพรงนิมิตต่างๆอาจจะเป็นนิมิตเห็นร่างกายก็ได้อาจจะเป็นนิมิต เ, เ, เห็นวงกลมก็ได้อาจจะเป็นนิมิตเห็นดวงอะไรก็สุดแล้วแต่ อันนั้นจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่ากําลังบํารุงกําลังบํารุงนั่นคือการแพ่งออกไปอย่างเนี้เพราะแพ่งออกไปอย่างนี้มันกลายเป็นนิมิตแต่ว่ามันทําให้เกิดอารมณ์อันเดียวเมื่อเกิดอารมณ์อันเดียวมันก็จะกลายเป็นพลังจิตอันนั้นเขาเรียกว่ากําลังบํารุงทีนี้ถ้าหากว่าเรียนจากกําลังบํารุงมาเป็นกําลังหลักคือหมายความว่านิมิตเช่นอย่างจะเป็นดวงอะไรขึ้นก็นตามต้องสลายตัวนั้นให้หมด เนี่ยสลายตัวให้หมดแล้วจิตก็จะเข้ามาถึงผู้รู้เมื่อจิตมาถึงผู้รู้แล้วจิตจะเกิดกระแสเองโดยที่ไม่จับแพ่งไปอย่างเนี้ยอย่างที่เราจะเห็นในมิตเนี่ยเราจะแพ่งออกไปอย่างเนี้ยออกไปข้างหน้าเราอย่างนี้เพ่งออกไปเพ่งออกไปเพ่งออกไปเพ่งออกไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเพื่อทาให้เกิดพระลังจิตอันนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าหาว่าจะให้เป็นญาน อเป็นหลักกระแสจริง ๆ, ๆไปอย่างนี้ไม่ได้มันต้องกลับเข้ามาสู่จิตพอจิตนี่ตั้งอยู่ได้แล้วเนี่ยมันเกิดกระแสเองทีเนี้ยพอเกิดกระแสเองแล้วมันไม่ได้พุ่งไปอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นกระแสที่เอเ ก, กิดจากจิตแล้วมันกลายเป็นยานกลายเป็นยานอย่างนี้คือว่าอย่างว่าอกระแสอย่างนี้นะ ม, น ม, มันจะมีแสงมันจะมีแสงออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากระแส มันออกไปอแสงเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงสีนั้นสีนี้อะไรนะั่นก็เรียว ก, าากว่าเป็นแสงแต่ทีนี้เอถ้าหาว่าเป็นกระแสจิตมันจะไม่เป็นแสงสว่างออกมาเหมือนลวงไฟอย่างนี้แต่มันจะเป็นกระแสที่ลึกกว่านั้นอันนี้คนจะเข้าใจยากหน่อยก็อธิบายให้ฟังพอเข้าใจถ้าหา จะให้เป็นผลสำเร็จต้องเปลี่ยนจากกำลังบำรุงมาเป็นกำลังหลักเหมือนกันกับการแพ่งดวงอาจจะเป็นเหมือนดวงแก้วหรือจะถือว่าเป็นลัตตนะอาจจะเป็นลัตตนาสามอะไรทำนองนั้นซึ่งรวมความแล้วเท่ากับนิมิตกิยาจิตจึงจำเป็นต้องแปลสภาพจากนั้นเข้ามาเป็นกำลังหลักโดยการทำความรู้ดาเนินการจนถึงจุดพลังอานาจ ซึ่งจะไม่ยากนักสำหรับผู้รู้วิธีการในการรวมพลังได้จนมีปรากฏการขึ้นอย่างนั้นคือพอออกไฟอันนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วยานที่กล่าวถึงหลักการนั้นคือการคำนวณไอ้เนี่ยมันไปนพิมพ์เป็นชานเกลี้ยงเลยพิมพ์ผิดหมดนะแก้กันด้วยการคำนวณ น, นี้จะต้องเป็นไปตามความจริงของหลักการเช่นการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็มใหญ่ลึกเข็มใหญ่เท่านี้เล็กเท่านี้จะรับน้ำหนักได้เท่านี้ซึ่งมีความสำคัญมากหากคานวณผิดหมายถึงตึกทั้งหลังจะตั้งอยู่ไม่ได้พังทลายลงมาแต่ถ้าคานวณถูกตึกทั้งหลังจะตั้งอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยยานที่ถูกคานวณ น, นั่นคือจิตเป็นยานเป็นที่ยอมรับจากสิทิติ ของผู้ชำนาญการในการวางแผนไว้จึงเชื่อได้ว่าเป็นการคำนวณที่ถูกต้องทุกประการอย่างจิตนี้เป็นยานขนาดนี้จะเอาไปทำการใหญ่ยังไม่ได้หรือจิตที่เป็นยานขนาดนี้จะเอาไปทำการใหญ่ได้อันนี้คือกฎเกณฑ์ของการคำนวณโดยผู้ปฏิบัติที่มีความชำนาญการก่อสร้างบางอย่างไม่ใช่สิ่งสำคัญเช่นสร้างกระท่อมก็ทำได้โดยทั่วไปไม่ต้องหา ผู้ชำนาญเป็นวิศวรกรเป็นต้นเพราะการทำกระท่อมนั้นไม่มีอันตรายอะไรมากนะักมีวัสดุคนธรรมดาก็ทําได้เมื่อผู้ที่ได้ยานก็ยังไม่สูงนักเขาจะลองทำครันอะไรซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะักยานในขนาดนี้เขาจะสามารถทดลองได้ในกรณีนี้จะเป็นการวัดผลในตัวของคนนั่นเอง ที่กล่าวชนนี้ประสงค์ใจให้เข้าใจถึงเรื่องยานให้มีความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวมพลังยานให้เป็นกลุ่มก้อนและเมื่อจิตเป็นยานความสบายมีมากพอที่จะพยุงร่างกายนี้ให้มีความมานะพยายามไปในตัวถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาวุ่นวายในบางครั้งก็จะไม่ทําให้ยานต้องท้อถอยเนื่องจากความจริงของยานนั้น คือการขยายผลนั่นเองสัดส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการเจริญนั้นเป็นขึ้นด้วยจิตที่อยู่ภายในยานส่วนสัดส่วนเหล่านี้ยึงอยู่ที่จิตคือตัวผู้รู้จะจัดการให้ดำเนินไปในตรงนี้นั้นเราจะต้องเข้าใจว่าใครคือผู้รู้ใครคือผู้รู้ที่เราได้พากันตั้งใจไว้ตั้งแต่การทำสมาธิขั้นแรกนั้น เขาจะฝังตัวเข้าไปอยู่ตลอดเวลาคือตัวพวกนี้ยจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงยานแล้วเนี่ยเแค่จะมีการดําเนินการในตัวของมันเองเนี่ยเเข้าไปสู่ความถูกต้องเรามาศึกษาถึงเรื่องยานเราจะได้หรือไม่นั้นไม่มีปัญหาอะไรในที่นี้การดําเนินจิตของเราให้ทําไปตามปกติไม่ต้องดิ้นรนด้วยความอยากมีอยากเป็นเพราะ การทํางานอันชื่อว่ายานนั้นมันเป็นงานจะต้องมีความใจเย็นเรารับประทานอาหารทุกวันทุกวันต้องขยิบเบืเทียบอย่นี้คือให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่รับประทานอาหารก็รับประทานไปมีชีวิตยอยู่ได้มีความเจริญวัยใหญ่โตเรามีหน้าที่นั่งสมาธิเราก็นั่งไปเรามีหน้าที่ถามว่าใครคือผู้รู้ก็ถามไปในที่สุดเนี่ยถึงจุดแล้ว แมงก็ประสบความสำเร็จหรือว่าในที่สุดร่างกายก็ใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนการคำนวณวัดผลก็เป็นไปแบบอัตโนมัติเหมือน ก, นกันกับเวลาอิ่มอาหารตัวเองก็วัดผลขึ้นมาในตัวเองเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวก็เป็นอันว่าวัดผลภายในตัวของมันเองแม้เวลาแก่เท่าชราการก็เป็นอันว่า วัดผลด้วยตนเองอย่างไรก็ตามแม้เราจะวัดผลด้วยตนเองแต่ชาวบ้านผู้คนทั้งหลายเขาก็คอยวัดผลด้วยเช่นเราเป็นเด็กผู้คนขเขาก็วัดผลว่าเป็นเด็กเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เขาก็ว่าคนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะวัดผลผิดจากความเป็นจริงนั้นไม่มีใครเขายอมรับอย่างเราเนี่ยแก่อายุตั้ง เออเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอย่างเนี้ยบอกว่าฉันยังหนุ่มแน่เขาก็หัวเราะอ่อันนี้คือการวัดผลเนี่ยจริงอยู่ว่าเราวัดผลด้วยตนเองแต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับแบบสากลแบบที่ว่ามอเป็นเด็กก็คือเด็กมอคนโตก็คือคนโตเช่นเดียวกันอ่ะเมื่อ <c oughs> อย่างไรก็ตามยาน ที่ถูกอบรมรวมตัวกันด้วยความสามารถของแต่ละคนก็จะรับรองว่าได้ยานแล้วและแกล้วกล้าก็จเจริญขึ้นจนเป็นยานโดยสมบูรณ์ก็เปรียบเช่นเดียวกันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่างที่เราทําเวลาเนี้ยเมื่อยานมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารับรองผู้ที่ทำเช่นเดียวกับเราก็ยอมยอมรับ ยอมรับว่าอันนี้เป็นญาณขึ้นมาจริงๆดังนั้นการวัดผลออกมาในลักษณะแห่งความจริงที่ว่ากระแสบางกับกระแสหนาอันบังเกิดขึ้นแก่ญาณเพราะญาณเป็นองค์เขาคุณ เ, เกิดขึ้นตามความสามารถของปัญญาหมายถึงตัวขยายตัวขยายนั้นเป็นลักษณะของจิตเป็นชาวนะของจิตถ้าตัวขยายแบบธรรมดา ยานก็ออกมาแบบธรรมดาไม่ใช่พิเศษแต่ถ้าตัวขายายออกมาแบบที่จิตถึงจุดพลังอำนาจแห่งสมาธิยานก็จะออกมาไม่ใช่ธรรมดาทีนี้เราคงจะอย่างที่ว่าเราเนืกว่าเราจะรักษาโรคใครสักคนหนึ่งอย่างนี้ทีนี้มันเป็นของธรรมดาเราจะคิดรักษาไปเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ผลนะ เมื่อไม่ได้ผลน่คือจิตยังไม่ทันถึงจุดพลังอำนาจทีนี้เมื่อมันเกิดได้ผลขึ้นมาแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นในตรงนี้จึงเป็นความพิเศษแม้จะเรียกว่าคุณวิเศษก็ถูกต้องแต่เพราะจิตได้รับพลังที่เพียงพอจึงเป็นเช่นนั้นได้จึงทำให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ามันทำสิ่งที่เกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ก็เกิดความเรื่องใสขึ้นอันนี้นเป็นของธรรมดาพุท ธ, ธบัญญัติจึงบัญญัติว่าภิกษุใดอวดหุตริมนุสธรรมคือคุณนธรรมอันวิเศษที่ไม่มีในตนเป็นอาบัติประราชิกในที่นี้ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ฌานก็ไม่ได้ยานก็ไม่ได้ สมาธิก็ไม่ได้ก็ไปบอกคนอื่นว่าฌานฉันก็ได้ยานฉันก็ได้สมาธิฉันก็ได้อันนี้นะไม่ใช่พูดธรรมดาได้นะพระนะไปพูดอย่างนี้พักเนี่ยในเจตนาว่าฉันต้องการอวดเท่านั้นเองพระจะหมดสภาพความเป็นพระทันทีเพราะว่าเป็นอาบัติประราชิกนี่เป็นเรื่องใหญ่ หมดสภาพความเป็นภิกษุทันทีเท่ากับถูกประหารชีวิตเมื่อหมดสภาพแล้วจะกลับมาบวชอีกไม่ได้เพราะเป็นปราชิกแล้วเพราะเหตุนี้อธิบายมาถึงจุดนี้ต้องระวังเนี่หลวงพ่อจะต้องระวังเห็นไหมนี่อธิบายให้เป็นหลักการไม่ใช่คิดว่าหลวงพ่อต้องได้อย่างนี้อ่ามันไม่ใช่อย่างนั้น อธิบายมานี่แหมหลวงพ่ออธิบายแป๊บแป๊บแ๊บแป๊บ แ, แน่หลวงพ่อได้แล้วไม่ใช่จะได้อย่างนี้หรือไม่ได้อย่างนี้เราพูดไม่ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นส้นเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ต้องระวังเดี๋ยวใครจะบอกแหมหลวงพอ่อแสงสว่างเต็มตัวเลย หลวงพ่อกว่าโอ้ดีแสงสว่างจริงก็เลยไปกันใหญ่ทั้งลูกศิษย์อาจารย์ก็ลงเหวียงกันหมดนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้อเพราะฉะนั้น่ะเออหลวงพว่อจะต้องระวังว่านั้นเถอะแต่มาคิดกันว่าทําไมพุทธบัญญัติจึงรุนแรงมากในข้อนี้ทําไมไม่น่าที่ว่าพระพุทธเจ้าจะบัญญัติอาบัติข้อนี้ให้รุนแรงถึงขั้นนี้ เธถึงขั้นประหารชีวิตเพราะว่าใครมาทำอย่างนี้ต้องประหารชีวิตรูปเดียวไม่มีการอุทรธรณีกาอย่างเนี้ยปรับเป็นปราชิกก็คือปราชิกอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำไมถึงรุนแรงขนาดนั้นเพราะวินัยข้อ น, นี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแต่คงพอเข้าใจแล้วว่าปัจจุบันมีผู้ถือโอกาส เอาอาชีพนี้แสวงหาผลประโยชน์นั่นเองก็มาตกลงอยู่ที่ผลประโยชน์เพราะว่าอะพินิหารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นของวิเศษเขาเรียกว่าอุจริมนุษธรรมเนี่ยก็ถือโอกาสเมื่อถือโอกาสแล้วพูดที่หลงไหลยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริง ก็ต้องหลงเชื่อตามไปด้วยในที่สุดก็กลายเป็นการหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้คิดว่าทำไมพระพุทธบัญญัติจึงได้มีความรุนแรงถึงขนาดนี้ก็เพราะเหตุนี้เอ้ยดีแล้วดีอีกอ <c oughs> ก็ในเรื่องนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก็คงจะพอเข้าใจแต่ยังไงก็ตามหลวงพ่อว่า เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่หลวงพ่อพูดออกไปเนี่ยคําพูดต่างๆเนี่ยมันจะมีกลลเมตรหรือแบบจะมีสิ่งสําคัญสําคัญเจือปนอยู่ในการที่หลวงพ่อพูดไปแต่ละประโยคแต่ละคําเนี่ยจะมีความสมําคัญเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาแทปไว้นั่นน่ะต้องนำเอาไปแล้วก็ไปนั่งฟังดูมันอาจจะมีอะไรในนั้นและถ้าหากว่ามันเกิด สงสัยขึ้นในตรงใดตรงหนึ่งนั่นเขียนหนังสือมาเลยหรือว่าอยากจะมาถามก็ได้แต่ก็ต้องให้โอกาสหลวงพ่อบ้างเดี๋ยวถามกันตอนลอดหมดทั้งวันก็แย่ yeah, เหมือนกันก็ทางนี้และทางนั้นเพื่อต้องการจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเข้าใจในข้อเท็จจริงเราจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรและมันเป็นไปได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นก็หันมาพูดกันถึงเรื่องประวัติของหลวงปู่มั่นอีกหลังจากเทศจังหวัดนครราชสีมาได้รับการแนะนำคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ได้ออกกระจายออกไป หลวงพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับคำสอนอันนี้โดยที่ไม่ทราบว่าเอเป็นด้วยเหตุผลคนใดพระอาจารย์ลงมาจึงได้ไปสร้างวัดที่บ้านใหม่สุโรงคือบ้านของหลวงพ่อนั่นเองแล้วก็หลวงพ่อก็มีคนมาถามว่าแกจะเข้าวัดไหมแกจะไปบวชไหมแก จะไปจำสินไหมโอ้ยอย่าพูดให้ยากเลยไม่ได้คิดว่าจะทำโดยเด็ดขาดแต่พอเวลาที่หลวงพ่อไปได้รับผลของการปฏิบัติจากพระอาจารย์ ง, งมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองอการเกิดขึ้นมาเองในวันนั้นอาจจะต้องทวนประวัติอีกนิดหนึ่งว่า หลวงพ่อเองนั้นได้ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปแต่ว่าการไปวัดในวันนั้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็อายุมากกว่าหลวงพ่อเกือบสิบปีกหมายความว่า เ, เป็นหญิงสาวคนหนึ่งแต่ว่าเราเอชอบกันแต่ไม่ได้ชอบกั น, นแบบอะไรนะแต่ว่าชอบกันแบบว่า เราเป็นเพื่อนกันอย่างนั้นอ่ะรักกันแต่ว่ารักกันแบบเป็นเพื่อนกันมีงานอะไรก็ช่วยกันในที่สุดเมื่อเขาจะไปวัดเขาไม่มีใครเป็นเพื่อนเขามาชวนเราให้ไปเป็นเพื่อนอหลวงพ่อก็ต้องไปเป็นเพื่อนกเข า, าไม่ไปเป็นเพื่อนแล้วประเดี๋ยวเวลามีงานแล้วมันไม่ถูกต้องเป็นเพื่อนกันชวนกันก็ต้องไป เราเก็จุดตะเกียงรัว้วได้ก็เดินตามหลังเข้าไปพอเดินตามหลังไปไปถึงวัดเราไม่เคยไปเนี่ยวัดเนี้ไม่เคยไปแต่พอไปถึงวัดเขาขึ้นศาลาเราก็ขึ้นศาลาเขานั่งเราก็นั่งอ่าเขากลับแต่เราไม่กลาบกลับไม่เป็นอืจางเขาก็มองว่าไอ้นั่นมันนั่งเถล่ออยู่คนเดียวยังไงเนี่ยเขาเรียกมานี่มานี่ เราก็มานั่งมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนั่นแหละอแล้วลทีนี้พอมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเนี่ยอทํายังไงอ่ะทีเนี้ยเรากลับบ้านคนเดียวก็กลับไม่ได้กลัวผีออืเพราะที่วัดมันเป็นป่าช้าก็กลัวผีเมื่อกลัวผีอย่างนั้นก็ไม่กลับไม่กลับก็ต้องอยู่แต่ว่าเอเขาจะต้องต่อหนังสือเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออก ตั้งแต่สองทุ่มนี่ถึงเที่ยงคืนกว่าเขาจะกลับกันทุกวันวันนั้นก็เช่นเดียวกันทีนี้หลงวงฟ้อก็นั่งอยู่คนเดียวอะไรสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดก็เขาเหือมันก็แตกออกมาเนี่ยกลางคืนนะเหือแตกเลยวุ่นวายไปหมดมจะลุกขึ้นมาจะอะไรก็กลัวอาจารย์จะดูเอาเออนิบโยนวุ่นวายอยู่ในใจคิดว่า ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไมมาอีกแล้วค่อยเบาไปเบาไฟแผ่วไฟไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วหายไปอะไรทีนี้จิตเป็นสมาธิหลวงพ่อต้องบอกว่าไอ้จิตที่มันจะเป็นสมาธินี่ยไม่ใช่แต่ว่าเราเนื้อพุทโธนะ อ่ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วมันก็ใช้ได้แต่ใครอย่าไปเจื่เอาอย่างก็แล้วกันมัคนคงจะใช้ได้หลวงพ่อคนเดียวหรือไงเนี่ยเอืัอเราหายไปเลยเบาว่องเสร็จแล้วเนี่ยนะออกจากร่างกายน่อาทิตสมานกายเกิดทันทีเดินออกไปไปถึง อ, อไปที่ลานวัดไอ้ตรงที่สร้างโบสเนี่ย หลวงพ่อไปสร้างโบสถ์ในเครื่องทังหลังเลยหลังนั้นไปก็ไปยืนพอยืนแล้วมันมีลมพัดมาชนิดหนึ่งลมวิววิววิวิวขมาแม่ลมนี้ทําไมมันสบายอย่างนี้เย็นอย่างนี้สบายอย่างนี้ในหูและในปิตสํานึกในเวลานั้นอ่ะคิดออกมาทันทีเลยว่าคุณธรรมของพระธศาสนาน์นี่ยังมีอยู่หรือเนี่ยใจคิดอย่างนั้นทันทีเลย โอโหมันสบายไม่อยากไปไหนแล้วตรงนั้นก็ได้เวลาก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาก็เห็นเรานั่งอยู่เอ๊ะนี่มันอะไรกันแน่เพราะว่าท่านนั้นเรารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเขาก็จะหัน ท, ทานนี้เหมือนอยากจะหลวงพ่อพาคณะนักศึกษาว่าอย่างเนี้ยพราะว่าเราก็ยกมืออย่างเนี้ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเฮ้ยมันทาอะไรอาจารย์ลงมาเพราะว่า ยวครับผมต้องขอเล่าอัเนี้ให้ฟังหน่อยว่าไะแล้วมันเป็นอะไรแล้วบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วแล้วมันเป็นอย่างเนี้แล้วมันคืออะไรอาจารย์ก็มาแลวบอกเอ๊ะวิริยังนี่มันยังไงอะอยังไงครับผูยังไม่ทันได้สอนสมาธิมันเป็นก่อนแล้วนี่ว่าที่มันเป็นอย่างนี้ เ็าทาสิบปียังไม่ได้เลยเมนี่เองที่ว่าพระอาจารย์สิงห์ที่ท่านไปขายายพระพุทธศาสนาที่จริงก็มีผู้ศาสนาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีใครไปสอนสมาธิอาจารย์กรุงมาท่านไปสอนสมาธิหลวงพ่อก็เลยได้ในวันนั้นวันนั้นและเป็นวันที่หลวงพ่อได้เริ่มต้นของชีวิตการทําสมาธิ จนกระทั่งนับแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ในวันนั้นที่เป็นเนี่ยคืออายุสิบสามปีในวันนั้นแบบนั้นนะสิบสามยี่บสามสามสิบสามี่สามห้าสิบสามหกสิบสามเจ็ดสิบสามหกสิบปีอะแบบนั้นนจากนั้นมาจนมาวันนี้ก็เลยทำให้เกิดแบบความ คิดว่าเราต้องเข้าวัดจากวันนั้นน่ะได้เข้าวัดตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้อันนี้ก็เลยเล่าไปถึงหลวงปู่มั่นกลายเป็นเล่าตัวเองไปเลยเอาละยังไงก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคงต้องหยุดไว้ก่อนนะ <c oughs> อก็คงจะต้องต่อประวัติต่อไปอีก <c oughs> เหมือนหลวงพ่อยืนพูดอย่างเงี้ยแค่นั้นเวลาถามตอบนี่ก็เป็นการแสดงความกรหายอันหนึงถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยขี้อายขี้อายอ่าใครจะให้ไปยืนให้อกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทํายังไงก็ไม่ได้คือขี้อายเป็นอย่างยิ่งว่า จะไปพูดอะไต่อหน้าใครอย่างนี้มันอายเี่สุดเลยกระดากยังไงที่ลึกแต่พอเวลามาสมาธิเข้าแล้วเนี่ยมันกลับทะละปัดเปเลยเนี่ยอยากทแท้เลยอยากจะไปเทศน์ให้คนอื่นฟังอยากจะอธิบายคนอื่นฟังจนอาจารย์ต้องห้ามอยากจะให้นักศึกษาเราเป็นอย่างนี้มั่งเนี่เป็นกันเองกับนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ ที่ไม่เกินไปนักก็ถือว่ า, เ, าเป็นการที่เป็นการเอง <c oughs> ในอันดับแรกนี่ก็ขอเชิญคุณทิพย์วิมลโสตยานนท์ก็เชิญกราบนะมัสการหลวงพ่อคะ่ะคือสิทธิอยากจะถามเกี่ยวกับตัวของสิทธ์นะคะคือเมื่อวันสุขที่สิบสามที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ลูกเป็ป่วยแล้วเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนัทลินขณะนั้นได้มองเห็นพัจเจดีที่นี่ก็เลยอธิษฐานถึงหลวงปู่มั่นกับหลวงพ่อให้ช่วยรักษาแล้วก็อธิษฐานอีกหลายๆอย่างเพราะเห็นพัะจดีที่นี่พอหลังจากนั้นคืนนั้นไม่ได้นอนเลย พอลุ่งเช้ามาหมอก็พาไปตรวจไปส่องกล้องอะไรจ้อะไราเสร็จกลับมาให้พักที่ห้องพักขณะที่กํำลังจะพักได้เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินเข้ามาในห้องหลวงพ่ออะไรมองไม่เห็นแล้วก็คือมองเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินเข้ามาในห้องแต่จําหน้าไม่ได้พอดีขณะที่ จะจ้องไปว่าหน้านั้น เ, นเป็นยังไงหลวงพ่อก็ลงไปนั่งแล้วก็หายไปขณะนั้นลูกศิษย์ก็หมดหมดความรู้สึกไปแต่พยาบาลมาเรียกก็ตอนนั้นไม่รู้สติแล้วแล้วก็ศิษย์ก็ได้ให้พยาบาลไปเปิดน้ำขวดแล้วก็ไปถวายพระ หลังจากนั้นเขาได้สวดมนต์อยู่พักหนึ่งสวดเสียงดังมากแล้วก็หมดสติไปไม่ไม่ทราบว่าตอนนั้นเขาจะมาเรียกวิญญาณไปหรือเปล่าคะแล้วแล้ ว, ลวทำไมทุานไม่ยืนอยู่นี่ได้อ่ะก็ก็รีบบอกคุณหมอไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วคะ่ะ<อ>ก็ขอออกมาก่อนอที่แรกหมอไม่ยอมบอกว่า ยังไงยังไงก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็หมอน้าว่าให้ใยผู้นี้แต่หนูจะไม่ใบแล้วก็โลกคือโลกอะไรหมอวิจัยออกหมายยังคือไ <c oughs> ตสองข้างไม่เท่ากันฮะคะอะไตสองข้างไม่เท่ากันค่ะแล้วมันเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมานานแล้ว <c oughs> เป็นมาประมาณหนึ่งปีค่ะเอะแล้วก็แสดงว่า ในตอนที่มันไม่รู้สึกน่นะจิตมันเข้าผ้าวางไปแล้วแต่ว่าเขาจะมาเรียกมัคนคงจะไม่ใช่อะ่ะเมื่อเขาเ้าผ้าวางไปแล้วอย่างนั้นแต่ว่าสมาธิหรือว่าจิตนั้นยังไม่ได้สละล่างจิตก็ยังคงรักษาร่างกายมีไว้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ย ไม่สระร่างเมื่อไรร่างกายก็จะต้องยังอยู่เมอ น, นั้นอันนี้เป็นลักษณะของคนดัะนั้นเมื่อมีอาการเป็นอย่างนั้นแม้จะสลบไปแต่ว่าร่างกายนั้นยังมีความปกติอยู่เมื่อเื้ขคืนมาก็ต้องเป็นร่างกายเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครเข้ามาเรียกวิญญาณไปได้อะตามลักษณะความเป็นจริงท่ามาเรียกวิญญาณกันไม่ได้ ไม่พอดีเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเรากำลังจะตายแบบนี้ถ้าเราจะเห็นพวกนี้เขาก็จะมารับไปใช่ไหมฮะอ่าคือการที่จะไปนั่นไปด้วยกรรมชนิดหนึ่งแล้วจิตวิญญาณ น, นั้นก็จะต้องเดินไปตามกรร ม, มแต่ผู้ที่ทำสมาธิแล้วนั่นตัวสมาธินี่จะเข้าช่วย ใจในเวลานั้นจะไม่ให้กรรมที่ไม่ดีนั้นมาดึงเอาไปได้อย่างนี้เป็นตน้นค่ะหลวงพ่อแล้วตอนนี้หนูอายุสี่สิบสี่เนี่ยจะจะอยู่ถึงสี่สิบห้าป่ะฮะก็คงจะอยู่เกินนะแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปโรงบาลเนี่ยจะได้ไหมคะอันนี้ก็ตามใจคิดเอาเองก็แล้วกัน ไม่ตัดสินให้กับพระคุณค่ะต่อไปขอเดินคุณเทตีจันนนีกราบนมรสการพระอาจารย์ค่ะเออสิทธิ์อยากจะให้หลวงพ่อพอธิบายคําว่าฌานกับอธิสมันกายเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะฌานเวลาที่จิตของเราเนี่ยละอารมณ์จนกระทั่งเหลืออารมณ์อันเดียวแล้วจิตจะเข้าไปสู่ในฌานขณะที่จิตเข้าไปสู่ในฌานนั้น ขณะเดียวกันนั้นก็มีการสัมผัสเกิดสัมผัสกับอาทิศสมานกายในเมื่อฌานนั้นเข้าไปถึงเขาเรียกว่าฌานลึกแต่ส่วนฌานตื้นนั้นจะสัมผัสอาทิตสมานกายได้เมื่อเข้าไปถึงเจตุจารา์โดยหมายความว่าได้กาจัดความรู้สึก ของร่างกายนี้หมดไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วการสัมผัสกันระหว่างทานแกกับอาทิสมานกายนั้นสัมผัสไปอย่างที่ได้อธิบายมานี้และการสัมผัสอาิสมานกายนั้นคือการทําความชํานาญหรือเรียกว่าครุตรีเมื่อเข้าทานไปก็จะสัมผัส ด, ด้วยความรู้สึก ส่วนการสัมผัสด้วยการนอนหลับนั้นอันนั้นก็ไม่มีผลอะไรมากต่อ <c oughs> ไปขอเชิญคุณเทียมจันเลิศวนาริ น, า น, น ก, รการณนรักอาการพระอาจารย์สิทย์มีความสงสัยตั้งแต่เด็กว่ารอยพระพุทธบาทที่จังหวัดตระ บ, บุรีเป็นรอยพพุทธบาทาที่เขาสร้างขึ้น หรือว่าเป็นลอยพระพุทธบาทขององค์งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเคยเกระเด็ดจากทางเหนือลงมาทางใต้หรือเปล่าคะ อ, อ่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้ค่ะขอประคุณค่ะ <c oughs> เอาว่าเป็นข้อคิดไปเรื่อยๆต่อไปขอเชิคุณทักษการา <c oughs> <c oughs> รักบันทายคืหลังจากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลา มีนั่งสมาธิบริกรรมคำมัพพุโตแล้วหน้าเนี่ยตึงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตึงตึงในที่สุดก็กระตุกเลยค่ะอาการที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเลือดลมในร่างกายเพราะว่าเวลาบริกรรมขึ้นมานั้นนะเป็นเวลาที่เราจิตมันเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเอร่างกายบางส่วนนี่มันก็อาจจะ เรือดลมอะไรต่างๆมันจะเดินไม่ค่อยสะดวกนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจแต่เป็นเรื่องของร่างกายจะตึงหรือจะอะไรต่างๆแต่ว่าถึงเหล่านี้จะมีการปรับตัวให้เป็นปกติได้ต่อไปอ่ะอ่าแล้ว่าจะแก้ไข ย, ยังไงนะครับท่านอาจารย์คะปล่อยไว้เฉยๆนะคแล้วก็หายเอยงเหมค ะ, ะมันมันจะหายเองมันในเมื่อ จิตของเราเนี่ยมันเขา้าเพื่อเข้าที่อ่ะเข้าที่ค่ะการดำเนินการค่ารการขอบพระคุณมากค่ะได้ได้อีกคนนึ่งเอาธัญนญิษเสดสุวรรณกุลอาจารย์ค่ะสิมีคำถามวันนี้อยู่นานแล้วนะคะเออไม่ทราบว่าขนาดที่เราทำสมาธิถ้าสมมุติว่าเกิดจิตซุ้งซ้านหรือว่าขนาดที่นั่งอยู่เนี่ยบางครั้ง จิตอาจจะคิดไปอย่างข้างนอกอะไรอย่างนี้นะะ่ะได้ทราบว่าจะเกิดพลังจิตไหมค ะ, ะเมื่อการทําสมาธินี่พอเวลาเรานั่งบริกรรมพุทโธเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิมันอาจจะพุ่งออกไปเนี่ยในเวลาที่เอ่อมันไม่คิดไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันนึกคิดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้